รวมความคิดเป็นทัศนะะคติออามคิดสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอการสรืสร่อสาษจาการใช้ชีวิตสําหรับเด็กกับรายการคิสคิสสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิสคิสนะครับวันนี้พบกับผมประนุถนอมซับครูไอครับและครูน็อตค่ะวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคิสคิสนะครับรายการที่ช่วยกัน เปิดความคิดในมุมมองของเด็กๆนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมีเด็กๆนะคะอยู่ในวัย น, น่ารักน่ารักนอะคุณไอซ์เนะใช่ครัลังมีความคิดแบบว่าบรรเจิดไร้กรอบนะคะคิดออกนอกกรอบได้ด้วยทีนี้เรามาดูกันค่ะวันนี้เด็กๆเขาจะมี อ, อย่างที่บอกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับว่า รายการของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนะครับในหลายๆระดับชั้นเนี่ยนะครับหรือว่าในหลายในหลายวัยเนี่ยนะครับมาพูดคุยถึงความคิดในแตกต่างกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นเด็กๆในระดับชั้นป .2 นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเสียงกุ๊กกะกุ๊กกะกไปบ้างนะครับเพราะว่าเรานีครับก็ยังมีการอัดนะครับรายการอยู่ที่ ดงเรียนจริง ๆ, ๆ, ๆเลย ใ, ใ, ในสถานที่จริงเลยนะครับก็เลยจะต้องมีเสียงรบกวนนิดหน่อยอยังไงก็ต้องข อ, อขอไป ค, คุณผู้ฟังมาร่วงหน้านะครับอ่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับคุณน็อตครับใช่ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครัอ่ ะ, อะอถ้าพร้อมแล้วนะครับเด็กๆช่วยแนะนําตัวเองให้กับคุณผู้ฟังของครูไอซ์และก็ครูน็อตเนี่ยได้รู้จักพวกเราหน่อยนะครับเริ่มที่คนแรกเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณ น, นาณนนัมสกุลเป็นภาคกด ครับชื่อเล่นชื่อน้องแก๊ปครับอยู่ชั้นป .2 ครับหนึ่งครับอ่าคนแรกน้องแก๊ปครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจษราสินต์ต้ำกุศตนนท์ อายุเจ็ดปีนามสกุลตัองคุูต네 <okay S 2> ชั้นปสองท่ครับโอเคครับนีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปัญชะพิชยาประดิชื่อเล่นชื่อน้องปันปันยู่ค่ะปันปันอ่ 2, าต่อไปครับสว sure. ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพุลเซียภูมานค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปันแป้งค่ะปอค่ะเลขที่ย2ค่ะอ่าวันนี้นะครับมีแกร็มีเจ็มีปันปัน ปานๆแล้วก็มีปานแป้งปานแป้งนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณ ค, ณครูเนี่ยนะครับมีคําถามง่ายๆคําถามง่ายๆให้เด็กๆตอบได้เลยตามความคิดของเด็กๆนะครับคุณน็อตไม่มีกรอบไ ม, อไม่มีผิดไม่มีถูกย<ร>ังไงและเราอยากตอบอย่างไรจากคําถามที่ได้ยินนันกเรียนตอบได้เลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเหลี๋ยวนะครับท้ายท้ายรายการเนี่ยครูจะมาบอกว่าคําถามที่ถูกถาม ทีเด็กๆโดนถามไปเนี่ยมันเป็นคําถามที่ใช้สําหรับทําอะไรโอเคไหมอ่าตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วคราวนี้เราไปพบกับคําถามแรกกันเลยดีกว่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ ะ, ะคำถามแรกนะครับเด็กๆตั้งใจฟังครยไรให้ดีนะครับสมมุติว่าเด็กๆติดเกาะร้างอ่าเป็นยายติดเกาะร้างติดเกาะร้างแล้วนักเรียนเนี่ยนะครับ จะต้องเลือกคนไปอยู่ด้วยเด็กๆจะเลือกใครอ่าเอาใครก่อนดีแก๊บแ๊อ่าแก๊บแ๊เอาครูไอกับคุณนัดไปอยู่อ่าทําไมอ่ะครับลูกเพราะว่าจะได้ครูนัดกับครูไอจะได้ดูแลอ๋ออนีนี่เองนะครับต่อไปเจครับเอาเพื่อนไปด้วยเอาเพื่อนไปด้วยทําไมอ่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเราแบบว่าแบบว่า แบบว่าทอมไม่ไหวแล้วก็เราจะได้มีเพื่อนมาคอยปลอบปลอบอ๋อมีเพื่อนมาเคยปลอบด้วยนะครับอ่ะปันปันครับปันปันน้องๆทาไมอะครับลูกจะได้เล่นกันอ๋อเล่นกันบนเกาะไปเลยเล่นกันอย่างเดียวเลยอ่ะต่อไปปันแปงเอาแม่ครัวไปด้วยแม่ครัวอ๋ออันนี้ดูแปลกดูแปลกทําไมอะครับเอาแม่ครัวไปด้วยทําไมเพราะว่า ถ้าเราไม่มีอาหารกินแล้วก็น้ำดื่มกินเราก็จะตายอ๋อเราจ ะ, จะตายแม่คั่วจะช่วยเราได้ใช่ไหมคะเอาแม่คั่วไปกี่คนดีสองคนเอาสองคนเ <laughs> ยี่ยมค่ะมีมคน<ล>ไปด้วยหมดเลยนะคะอะแล้วถ้าเรามีหนังสือะค่ะเล่มหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นเล่มโปรดของเราทำไมาเราถึงชอบหนังสือเล่ม น, นี้เด็กๆมีหนังสือเล่มโปรด ของเด็กๆด็ไหมคะมีมีค่ะอ่ะแป้นแป้งก่อนเลยค่ะหนังสือเต้นรากับหมาในค่ะแก้นรำกับหมาในยังไงคะก็คือให้คุณผู้ฟังได้จะเป็นหนังสือที่มีรูปของหมาในอยู่แล้วจะมีว่าเขาเอาชีวิตรอดกันยังไงดำรงชีวิตกันยังไงเอออยากรู้พฤติกรรมของหมาในอุ้ยเยี่ยมค่ะต่อไปหนังสือการ์ตูนค่ะการ์ตูนอะไรดีครับการ์ตูนอะไรเรื่องอะไรครับที่ปันปันชอบชอบอ่าน หนูจะเป็นแม่จะซื้อให้แต่ไมเมอ๋อ My, oh, My Melody ใช่ไหมครับอ๋อโอเค My Melody นะครับ <Okay S 1> ต่อไปเจตครับการ์ตูนแฟนดิสตัยซอมบี้ครับเอ่อตอนนั้นมันจะมีหลายเรื่องเลยมันแล้วมันก็จะมีหลายเล่มด้วยครับอ๋อโอเคครับแต่แนวซอมบี้เนาะกัน อ๋อแผนซอมบี้นะครับต่อไปแก๊บครับชอบหนังสือเลสโก้ค่ะเลสโก้เลสโกเป็นหนังสืออะไรครับลูกหนังสือเรียนภาษาอังกฤษครับอ่าเป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะต่อไปพร้อมหรือยังกับประเด็นต่อไปพร้อมแล้วครับอ่าพร้อมแล้วพอพร้อมแล้วก็เสียงดังมากเลยอ่ะถ้าเด็กๆสามารถทําในสิ่งที่เด็กๆอยากทําได้ในตอนนี้ ในตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยเด็กอยากทำอะไรมากที่สุดเพราะอะไรด้วยนะบอกเกศผลครู ด, ด้วยนะเจตค่ะเจต่อะไรครับเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเพราะว่ามันมีความสนุกสนานมากเลยแล้วผมก็ชอบเล่นกับฟุตบอลด้วยแล้วก็กับเพื่อนด้วยครับโอเคครับแก๊บครับแก๊อยากเล่นแฮมเบอร์เกอร์ครับอแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรครับลูกมันจะเป็นสลับไปสลับ อ๋อสลับไปสลับมาแบบนี้เออทำให้ดูในห้องโซนใครเป็นแบบนี้ก่อนใครเป็นแบบนี้ก่อนคนนั้นชนะอ๋อโอเคเป็นทักษะละการสังเกตนะค่ะแต่ห้ามเสียบเข้าข้างนั้นปันปันค่ะปันอยากทำใครอยากเล่นหุละหูอหุละน้าหนักก็ไม่เยอะทำไมอยากเล่นหุลหูคะไม่รู้สนุกใช่ไหมคะลูกโอเคค่ะปันปอยากเล่นกระโดดเชือกค่ะกระโดดเชือกสรงหรอคะ อ๋อได้อยางระสูงค่ะโอ้โหเด็กๆมีความคิดแต่ละคนฉีกแนวไปเลยคะใช่ครับในคำถามนะคะต่อไปถ้าเรามีใครสักคนเนอค่ะที่เราอยากเป็นอย่างนั้นเนอเหมือนเขาเป็นไอดอลของเราค่ะหรือจะไอดอลไหมครับเป็นบุคคลต้นแบบอ่าบุคคลต้นแบบไอดอลของเด็กคือไคลนักก็ตครับลุงไงวานะเป็นนักบินครับเก็ตอยากเป็นนักบินเหรอครับฮะโอ้เยี่ยมไปเลยอยาก ลิลลี่กับเจนนี่ค่ะนี่ใครคะนักร้องค่ะอ๋นักร้องที่ร้องเพลงอะไรเจเลิกคุยทั้งคั่นเธอเพื่อเธอคนเดียวนารุมากอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบว่าประสบความสำเร็จในในในระดับขั้นหนึ่งเลยเนะตั้งแต่เด็กๆเนาะอ่อต่อไปครับพี่เจดครับอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอเป็นนักฟุตบอลทีมชาติก็เลยมีใครเป็นไอดอลครับลูกไอดอลค่ะ คุณหมาอ๋อมีคุณครูคุณหมายกับคุณต้องคือโค้ชใช่ไหมครับที่โรงเรียนของเราที่ที่กรมพละอ๋อโอเคต่อไปแป้นแป้งค่ะแป้นแป้งค่ะแป้นลค่ะสืบนะคะเสถียรโอ้แป้นแป้ง ทำาไม่ถึงรู้จักลุงสืบนะค ะ, สะเสถียรคะเพราะว่าหนูเคยไปดูบ้านของนัทสืบแล้วก็ได้ไปงานของเขาแล้วก็มีรูปภาพของเขามาด้วยค่ะนัทสืบเป็นเป็นไอดอลทางด้านไหนของหนูคะกรมป่าไม้ค่ะเป็นกรมป่าไม้อ๋เ อ, อเรียกอนุรักษ์เหมือนนัทสืบใช่ไหมคะเป็นนักอนุรักษ์ โอ้โหเยอะมากเลยอัปปุ่มือหน่อยให้กับทุกคนนะครับที่มีไอดอลเป็นของตัวเองสคนก็มีไอดอลคนละแบบใช่ครับนักบินนักอนุรักษ์เป็นนักฟุตบอลและเป็นนักล้อโอเคนะครับหลายๆคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปนะครับท่าไม่ท่าสิเด็กๆอยากไปไหนมากที่สุดตอนนี้เลือกมาหนึ่งสถานที่อ่ะให้เวลาคิดก่อนติ๊กติกติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติก พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วอ่ะครูขอที่ปั้นแป้งก่อนเลยนะครับปั้นแป้งบ้านนสืบค่ะอ๋อบ้านนสืบทําไมอะลูกที่ไหนคะไฟขาแข้งไฟขาแข้งจังหวัดอะไรนะถ้าคุณจะไม่ผิดน่าจะเป็นอุทัยธานีนะครับลิลลี่อ่าไปหาลิลลี่พี่เจคับไปพิพิธภัณฑ์โบราณอุพิพิธภโบราณอ่ะของเจนสนใจทําไมอะครับลูก อยากไปศึกษาวัตถุโบราณครับต่อไปก a p ค่ะอยากไปฮับเบร์แลนด์ฮับเบิแลนด์ฮับเแลนด์มีอะไรครับอันนี้เด็กๆชอบใช่ไหมใ้่ค่ะมีของเล่นนะมีเครื่องเล่นเลยครับอเคมีของเล่นมีเครื่องเล่นนะครับไปเล่นแล้วจะได้ไปเล่นแล้วก็สนุกใช่ไคะได้เจอเพื่อนด้วยโอเคค่ะในกิจกรรมอะไรนะคะที่นักเรียนชอบมากที่สุดในวิชาพระ ป้านแปงค่ะเล่นทุ่มบาสค่ะอ๋อทุ่มบาสเอาบอลมาทุ่มกันแน่ลรับอ๋อชอบเล่นฟุตบอลผุณเล้นฮูฟในะเล่นตบอเป็นผู้รักษาประตูเป็นผู้รักษาประตูนะคะแสดงว่ามีทั้งหุ่ลฮูเล่นบาสและฟุตบอลใช่หมคะในวิชาพะศึกษาเขาเด็ก กิจกรรมในแต่ละวันนะคะในแต่ละสัปดาห์เด็กๆ ก, ก็จะมีกิจกรรมหลกากหลายทั้งไปเล่นเครื่องเล่นอ่านหนังสือบ้านหนะ้าสืบอ่าไปบ้านน้าสืบนอกจากนี้แล้วเด็กๆทาอะไรได้อีกคะคุณน้อ่ะเดี๋ยวขอถามนี้นะดีกว่าครับคุณนองครับขอถามเด็กๆว่าถ้าสมมุติเนี่ยว่าสมมติสม ม, ต, ส ม, มติว่าโรงเรียนเออไม่ใช่โรงเรียนสิในโลกนี้เนี่ย น, นะครับอ่าฟังนะในโลกเนี้ย เงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งสําคัญเลยไม่ต้องเอาเงินไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทําอะไรเลยอด็เด็กๆ เ, เนี่ยคิดว่าอะไรสําคัญนอกเหนือจากเงินสมมุติว่าเงินในโลกเนี้ยมันไม่มีค่าเลยเด็กคิดว่าอะไรเนี่ยมันสําคัญป้านป้านป้านแป้งพ่อกับแม่พ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่จะได้ดูแลเราเป็นหัวของเราไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงเงินเลยใช่ไหมลูกป้านแป้งครับลูกพ่อกับแม่แล้วก็ แพทย์นะคะแพทย์คุณหมอน้ออ๋อทำไมคะทำไมต้องเอาคุณหมอไปด้วยเพราะว่าจะได้รักษาเวลาเราป่วยอะค่ะโอโอเคครับเจ็ดครับเจครอบครัวครอบครัวรู้ครอบครัวใช่ครับอ๋อสำคัญที่สุดเนาะแก๊บครับครอบครัวอ่าครอบครัวเนาะส่วนใหญ่เนี้ยนะเนาะครอบครัวก็สามารถที่จะอยู่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเราได้เนาะเด็กๆก็จะนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกนะครับอ่าต่อไป คุณน็อตครับ อ, อยากให้คุณน็อตถามดเด็กๆถึงจากที่ที่แล้วเนี่ยที่เกี่ยวกับพลังวิเศษครับว่าเด็กๆจะเปลี่ยนแปลงโลกยังไงเดี๋ยวฟังคุณตาคำถามจากคุณน็อตนะครับฟ <นะ S 1> ังถ้าเด็กๆฟังนะครับมีพลังพิเศษหนึ่งอย่างคือหนึ่งอย่างนะและอย่างนั้นน่ยมันสามารถสะกดให้คนทั้งโลกทําตามเราได้ อ, อยากให้คนทั้งโลกทําอะไรตามเรา อ่ะให้เวลาคิดก่อนต i k t o อกออแกคิดได้แล้วเก็บขยะอ๋อเก็บขยะทำไมครับลูกแกรบแกร์สะกดให้คนทั้งโลกเก็บขยะเลยโลกจะไห้สะอาวโอ้ต้นมือเยลียมากเลยฮะให้ไปรักษาสัตว์ที่ตนเองเคยทำร้ายไว้ค่ะโออะไรเป็น เป็นเป็นจุดกําหนดในสิ่งที่ป้านๆคิดแบบนี้ค่ะสืบนะคะเสถียรลืบนะคะลงสืบนะครับก็คืออนุรักษ์สัตว์เนาะ okay. เขาไปช่วยกวางตัวล่าสุดแล้วก็ไม่หลอ ด, ล อ, ดอึฮูค้ครูน้อยครูไอ้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะกับการกับค<อ>ํถามเออใช่ครับความ<อ>คิดแรกของแก๊ปเนี่ยก็ตื่นเต้นเลยนะครับความคิดที่สองต่อไปมารู้ความคิดที่สามครับของพี่เจ็ครับของพี่เจ็ดครับอ่ะพี่เจ็ดยับมาใกล้ๆหน่อยโอเคของที่เขาขโมยมาขอให้เขา เอาคืนเจ้าของไปอ๋อหูอันนี้ก็เยี่ยมเหมือนกันเลยเนาะก็คือของไหนที่ไม่ใช่ของเราก็ให้คืนเจ้าของไปเนาะรวมถึงบางทีเนี่ยเราอาจจะทําของหายเราก็จะได้จากของเหล่านั้นคืนด้วยเนาะคนทั้งโลกก็จะมีของของตัวเองเนาะไม่หายไปอ่ามีความสุขใช่ไหมครับอ่าต่อไปร้องเพลงเพื่อช่วยเด็กกำพร้าโอ้โหอยากให้ทุกคนมาช่วยช่วยร้องเพลงให้เด็กกำพร้า อ๋อให้เด็กําพัได้มีความสุขใช่ไหมคะโอ้โหนอกจากสิ่งแวดล้อมนอกจากตัวเด็กๆเองแล้วค่ะเด็กๆของเรายังนึกถึงสิ่งแวดล้อมที่นอกนอกตัวของเขานะคะแล้วก็คนที่อยู่นอกตัวของเขาออกไปด้วยค่ะโอเคครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะฮะไม่คิดเลยนะครับว่าเด็กต่อสองจะใช่ครับจะมีความคิดแบบนี้นะว่เอช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรนึกถึงคนรอบข้างนึกถึงคนอื่นนะครับโดยเฉพาะ ปัญหาทางด้านสังคมนะเด็กๆก็เหมือนทราบอย่างความที่ของเจตใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่ของตัวเองแต่ก็อยากให้คนอื่นนะคะเอามาคืนใช่ครับะะลงถึงเห็นปัญหาถึงเพื่อนร่วมโลกนะครับของเราด้วยเช่นใครครับเด็กกําพ้าที่ ปันปันปันบอกเนาะปันปันบอกสัตว์อนุรักษ์หรือสัตว์เลียงอื่นๆที่ที่ปันปันได้กล่าวถึงเนาะแล้วก็เด็กแล้วก็กระแทกที่ได้กล่าวมาคือขยะนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศอื่นด้วยใช่ไหมครับกระแโอเคครับจะเห็นได้ว่าเราสังเกตได้ว่านะคะว่าเด็กเด็เขามีความคิดคาดเราเราไม่ได้คาดหวังเนาะว่าเขาจะคิดแบบไปไกลแต่ว่าเขามีความคิดนอกกรอบมากๆเลยนะคะอะ คุณน้อยมีคำถามอีกอย่างนึง่งคำถามอีกอย่างหนึ่งลองพูดถึงเพื่อนนะคะที่เราเป็นเพื่อนสนิทเราค่ะและเป็นเพื่อนที่ดีของเราคะ่ะมาหนึ่งอย่างเรื่องอะไรก็ได้เออลองอธิบายสิว่าเขาเป็นยังไง อ, อะไ ร, รยังไงเราเห็นอะไรที่เป็นข้อดีของเพื่อนที่เราชอบหรืออาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ได้นะคะแต่ว่าเห็นข้อดีแล้วเราอยาก พูดถึงสิ่งดีๆอันนั้นนะคะของเพื่อนคนใดคนนึ่งตอนนี้คิดก่อนใครมีอ้าป้นแป้เอ้ยไม่ใช่ป้นแป้งคะป้นปนหนูดีค่ะหนูดีทไมคะหนูดีดียังไงนนีใส่ดีเยียมแจ่มใสโอ้ยใครๆก็ชอบเนาะเห็นแล้วมีความสุขครับป้นแป้งคะลกแก๊บค่ะทไมคะทไมเป็นแก๊บคะเพราะว่าเขาชอบเล่นตลกกันค่ะทให้เรามีความสุขใช่ไหมโอยใช่เลยนี่คือแก๊บเลยครับล่าเริงจัใส่อะล่แก๊ลครับ แปลงนะคะทไมล่ะวาูกเก่งแปลงวาลรูปเก่งอ่ะอันนี้ชมกันไปชมกันมาแต่ชอบกันวารูปใช่ไหมคะแต่กับแจ็เป็นคนล่าเริงไงคะสวาย์ไลในห้องเนาะโอเคค่ะเดลต้าเดวต้าทำไมเป็นเดลต้าครับเพะเวลาเล่นฟุตบอลผมก็จะเล่นกับเดลต้าหลายครั้งมากเลยครับแล้วก็ พอเวลาอยู่บนรถวัดเมีอะไรงงอะเร็กต้ากับผมก็จะคุยเรื่องตลกกันอเดตเยอะมากเลยค่ะเรามองเห็นข้อดีของเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่ว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องหรืออยู่นอกห้องก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เด็กๆจะมีมองเห็นข้อดีของเพื่อนที่อยู่ในห้องใช่ครับอ่ะต่อไปนะครับขอเป็นคํำถามสุดท้ายสําหรับวันนี้และอ่ะพี่เอกว่าเห็นกูไอ้บอกสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมากเก่งมากค่ะ โอขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไรอ่าเด็อยากเป็นอะไรนักอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นเหมือลุงสืบใช่ไหมคะเป็นเหมือนลุงสืบเลยค่ะพี่เจ็ครับนักฟุตบอลทําไมถึงอยากเป็นนักฟุตบอลคะพี่เจ็บเพราะว่าชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วโอ้อยากเป็นนักฟุตบอลเยี่ยมค่ะแก๊บครับอยากเป็นนักวินนะอ๋อนักปินเหมือนลุงเลยนะลุงไอวานครับจะได้พาครู โคดไวเทียวอดีมากเลยถ้าแกเป็นนักบินอย่าลืมคู่ด้วยนะทำน็อไปด้วยนะโอเคปันปันนักกิมสติกเป็นนักกิมพสติกชอบชอบหรือว่ามีใครเป็นเป็นต้นแบบคะอุ๊ยคนนั้นคือใครเอ่ยหนูดีกับอีคอ๋อหนูดีนอกจากกินมยันแจ่มสแล้วยังเป็นนักกิมพสติกด้วยโอ้โห อ่ า, อาเป็นซแบบีแบทบเห็นไหมคะเด็กๆ เ, เขาก็จะมีการสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขานะคะคไอแล้วกลายมาเป็นความคิดเนาะ<ช>เป็นความ ค, คิดที่เขาคิดณนะขณะนั้นนะคะที่ได้ถ่ายทอดให้พวกเราและท่านผู้ชมได้ได้ใช่ครั บ, รบจริงๆเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคำถามที่คุณไอกับคุณน็อตเลือกมาเนี่ยนะครับมันเป็นคําถามเกี่ยวกับในเชิงจิตวิทยาเนาะ เด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะมันเป็นคําถามที่เกี่ยวกับถามและให้เราเนี่ยรู้จักตัวตนของคนคนหนึ่งเช่นครูนเนี่ยไม่เคยรู้จักแกแ๊ปมาก่อนหรือว่าแกแ๊ปเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะครูก็เลยใช้คําถามง่ายๆแบบเนี้ยนะครับครูน<ช>็อตครับถามแก๊ปอาค่าติเวสชาแก๊ปติดเกาะล่างแต่แกเออแก๊ปจากอยู่กับใครเจดอยากพาใครไปด้วยหรือว่าหนังสือเล่มโปรดของปันปันคือใครคืออะไร แล้วก็ปั้นแป้งชอบใครเป็นไอด ол, อลปั้นแป้งอยากทําอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นคําถามง่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้นะครับ ม, มันเป็นคําถามที่ช่วยเปิดเผยตัว ต, วตนของของคนอของเด็กๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะฉะนั้นเราก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นเนาะบางทีเนี่ยครูเนี่ยก็สอนเด็กๆนะครูไอก็สอนเด็กๆนะบางทีเราก็ยังใช่ครับรเราจะรู้จักกันในเชิงวิชาการว่าเด็กเด็กเนี่ยเรียนได้เรียนไม่ได้อย่างงุ่นอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พอได้รู้จักความคิดจริงๆริอ่ะผม ชอบแบบนุ่งนะผมมีความคิดเป็นของนี้เราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมครับลูกอ่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ครูได้มีครูไอ้กับครูน็อตเนี่ยได้มีโอกาสเนาะมาสอบถามแล้วก็ใช้คําถามง่ายๆแบบนี้ถามเด็กๆนะครับรวมถึงคนผู้ฟังเออคุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังได้ว่าเฮ้ยเด็กๆชั้นป .2 เนี่ยมีความคิดยังไงโหนี่ครูครูเป็นผู้จัดกับครูน็อตเองครูยังข่าไม่ถึงเลยนะว่า ปันแป้งรู้จักสืบนคะครัสถียนด้วยแล้วก็อยากเป็นเหมือนลุงสืบเลยปันแป้งไปเยป<ช>ี่ยมบ้านสืบบ่อยอ่รวมถึงใครครับเจดเจดก็อยากเจดเชอบของโบราณเป็นนักฟุตบอลด้วยแต่ก็อยากไปอะไรพิพิธภัณฑ์ของโบราณ บ, บ้านโบราณอะไรเงี้ยส่วนแก๊ปเนี่ยเห็นกูดเล่นแต่จริงแก๊ปอยากเปรนักบินส่วนปันปันก็อยากเป็น นักกล้องเลิกคุยทั้งอำเภอไปเลยนะครับแล้วนอกจากนีดด้แล้วก็ยังอ่ามีทั้งสองด้านด้านบันเทิงอ่าโอเคนะครับอ่าคราวนี้ก่อนจะหมดเวลาลวครูอยากคุณครูเนี่ยนะครับอยากให้เด็กๆช่วยการเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาฟังรายการเราหน่อยนะครับว่ารายการเราชื่อคิดๆนะครับรายการที่ช่วยเปิดความคิดของเด็ ก, ดก <S <S ๆฉะนั้นเด็กๆ เ, กเกชิญชวนคุณผู้ฟังหน่อยทีละคนเลยครับอ พูดให้คุณผู้ฟังนะคะรู้สึกว่าหุยรายการเราอะค่ะเป็นรายการที่น่าฟังและอยากให้อ่าออให้เข้ามาฟังนะคะของความคิดของเด็กๆอ่เริ่มจากใครก่อนต๊อกตึ๊กตึ๊กตึ๊ต่าแก่ย่าคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะใครค ะ, ครคะสั้นๆเล็กๆสั้นๆเล็ ก, ลกๆแน่ อ, นอไม่เป็นไรค่ะอ่ปานแป้งอยากให้ทุกคนเข้ามาฟังรายการนี้เพราะว่า เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้บอกความคิดของตนเองค่ะอ่าเยี่ยมมากค่ะปันปันค่ะอยากให้ผู้ชมเข้ามาฟังเพราะว่าจะได้ฟังแล้วก็สนุกสนานด้วยโอเคสนุกสนานนะคะความคิดของเด็กแก๊ปแครับนิดนึงครับอยากให้ทุกคนมาดูรายการคิดคิดนะครับเพราะว่าอันนี้สนุกมากเลยสนุกมากเลยโอเคนะครับยังไงเนี่ยนะครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับมาฟังนะครับรายการติดตามรายการเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรากับเด็กๆ ด, ด, ด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้เด็กๆเด็กๆจากโรงเรียนสาธิตนาว แล้วก่อนจะจากกันไปนะครับก็วันนี้ยังไงนะครับถ้ามีเสียงที่มันตะกุตะกักหรือมีเสียงรบกวนด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมาอัดกันในสถานที่จริงเลยในห้องเรียนจริงๆเลยนะครับก็จะมีเสียงกระเป๋าเสียงจุกจิกเสียงกระทบโต๊ะอะไรบ้างนะครับก็คือเราอยู่ในสถานที่จริงนะครับ ดับเรียวๆเลยนั่นเองนะครับค่ะสำหรับคําถามวันนี้นะคะเราก็ได้เปิดความคิดนะคะของเด็กๆนะคะในมุมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตกิจกรรมของเขานะคะก็ขอฝากช่องรายการเนาะใช่คนะคะความคิดของเด็กๆนะคะรอนะครพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่นะคะครับอยเข้ามาทําไมคะเรียนรู้กันเนาะรเรียนรู้กันแล้วก็ช่วยนะคะช่วยเด็กๆเราให้มีโอกาสทางด้านความคิดที่จะแสดงออก ออกมาเนาะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เปิดโอกาสให้เด็กออกมาพูดในสิ่งที่เขาคิดนะใช่ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับครูไอ้กับครูนอต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีคสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University